อั น, นะอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณก่อนหน้านี้ทั้งหมดว่าเออที่เจริญมาเนี่ยถูกต้องแล้วกับอนุโลมที่จะให้บรรลุโพธิปัจขยธรรมอนุโลมต่อให้โพธิปัจขยธรรมประชุมกันขึ้นเพราะทําไม่อนุโลมและโพธิปัจขยธรรมเกิดไม่ได้ไม่ประชุมกันเขาไม่ประชุมกันง่ายง่ายเพราะต้องอนุโลมตามโพธิปักขยธรรมทั้งหมดโพธิปัจขยธรรมจึงมาประชุมขึ้นเพราะอ น, อนุโลมเสร็จก็ ละสังขา น, นิมิตสังขาร น, นิมิตก็คือละขันห้าโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์ท่นโคตรภูญานเนี่ยละขันห้าเอกโตวุฒานะออกโดยส่วนเดียวคือออกจากอุปาทานขันห้าโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดตั้งแต่นามรูปปริเฉยทยานจนถึงโคตรภูญานเป็นตะทงังฆะปะหาระนะตะตังตง ต, งตัวนั้นแปลว่านั้นปะหานะก็คือละด้วยด้วยยาณนะนั้นๆเช่นละด้วย ตัวปัญญาที่กําหนดนามรูปหรือสังขา ร, Ancient, ป, ร um, ประเฉทญาณเป็นตัวละปัจยะปริคหายานเป็นตัวละสมะสนญาณเป็นตัวละอุทยภพญาณเป็นตัวละพยตุปทานญาณเป็นตัวละนิพิถาญาณเป็นตัวละอาทีนวญาณเป็นตัวละสังขารุเปขหายานเป็นตัวละมุนจิตุกรรมมัตายานเป็นตัวละเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอนุโลมายานโคตรภูยานเป็นคุณธรรมที่ไปละละอะไรละสมุทัย ละบาปละอกุศลละความเศร้ามองละกิเลสต่างๆเนี่ยนะมันก็แบ่งถ้านในในธรรมะที่กล่าวไปมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือสิ่งที่ถูกละกับตัวที่เข้าไปละสิ่งที่ถูกละบาลีเรียกว่าประหาตประทำทำที่ควรละทำที่เข้าไปละเรียกว่าปหายกะเครื่องมือในการละอุปกรณ์ในการละเหมือนกับอาวุธสมมติว่า ถูกตัดอะนะมีสิ่งที่ถูกตัดกับมีสิ่งที่เข้าไปตัดเนี่ยนะยานะปัญญาทั้งหลายเป็นตัวที่เข้าไปตัดพันละกิเลสได้มันละได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาดังกล่าวไปแล้วละอะไรไม่ได้หรอกล ะ, สะเสถ่ความโกรธอย่ากโกรธเลยยายายาไม่ยอมรอกเชื่อเหรอถ้าไม่มีคุณธรรมดังกล่าวไปแล้วเนี่ยมันละไม่ได้เหมือนอะไรรู้ไหมโอ้ยอย่าไปละเอยอย่าไปจนซี่เลิกเถอะเลิกจนเถอะพอละพูดไม่ยากเลย ครัเดียวเนี่ยคำเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเลิกจนได้ไม่ได้ชั้นใดก็ดีเนี่ยนะโทสะมันลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละว่าทํายังไงจะละได้ง่ายๆคุณธรรมที่จะมาละเหล่านี้เนี่ยคืออะไรก็ต้องเป็นไปตามโดยลําดับจะต้องมีอุปกรณ์เพราะนั้นปัญญานี้จึงเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะปัญญาเป็นอริยทรัพย์โทสะเป็นเหมือนกับนี่เป็นเหมือนกับความยากจนความกันดานความแห้งแลง้งปัญญาเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ถ้าไม่มีทรัพย์คือปัญญาตามนี้จริงๆ ละอะไรไม่ได้หรอกแต่ปัญญาที่จะละได้อย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่ข่มกิเลสได้ก่อนเนี่ยละไม่ได้ถ้าไม่มีสมถะนี่ก็ยากที่จะเจริญปัญญาดังกล่าวไปแล้วนะเพราะปัญญานี่เป็นเป็นปัญญานี่เป็นความรู้ใช่ไหมคนที่ใจฟุ้งซ่านความรู้เกิดได้ไหมไม่ได้ปัญญาย่อมไม่มีแกผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วนะ่ะจึงรู้เห็นตามเป็นจริง พรันผู้ที่รู้เห็นตามเป็นจริงนี่จะเบือนนายผู้เบือนนายย่อมคลายกำหนับทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าไม่มีคุณธรรมคือจิตที่ตั้งมั่นหรือวิขมพนะปะหารคือสมถะทั้งหลายก็ยากที่จะละอะไรออกไปได้เพรันสําคัญต้องละนิวรด้วยสมาธิทั้งหลายมีอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิการกําจัดนิวรดเช่นได้ด้วยกําจัด นิวรนเหล่านั้นอะนะเป็นตัวที่ทําให้จิตตั้งมั่นถ้าละนิวรณ์ไม่ได้ใจก็ไม่ตั้งมั่นแล้วคุณจะรำที่ละนิวรณ์เนี่ยนะปฏิสามพิทากล่าวอะไรอุปจาระฌานใช่ไหมอุปจาระฌานเช่นละกามฉันทะด้วยเนคขมมะละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละทีนมิท้าด้วยอโลกสัญญาละวิจิเกชาด้วยการกําหนดธรรมละอารติด้วยปีติหรือปราโมดละอารติด้วยปราโมดละอวิชชาด้วยญานะลับ นิวรทั้ง5้าด้วยปฐมฌานลาวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานเป็นต้นค่อยๆละไปตามลําดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะเรียกว่าวิขัมพนะปะหารวิขัมพนะปะหารพวกนี้เป็นฐานให้การละข้างบนนั้นจึงจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะอันท่าจิตไม่ตั้งมัน่นก็ยากที่จะละอะไรได้เนี่ยนะอันท่าถ้ า, ถาการเจริญธรรมะทั้งหลายถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยยากที่จะทําอะไรได้ความเศร้าหมองใจเนี่ยนะอะไรจะละได้เท่ากับความเสียใจ สมมตนะิคิดง่ายๆว่าถ้าเราเสียใจอะไรสักเรื่องหนึ่งอย่าเสียใจเลยได้ไหมบางเรื่องเนี่ยนะไม่ได้บอกกันง่ายๆนะไม่ใช่เกลี้ยกล่อมนะคุยกันอยู่สามวันแล้วมันยังไม่เลิกเสียใจอีกเลยนะนะนะเช่นอะไรญาติตายอย่างเงี <c> ้ย <oughs> คิดถึ ง, งไงจำไหมใครที่เคยแบบอะไรนะนสูญเสียคนที่ตัวเองชอเช่นพ่อแม่พ่อแม่ตายนิจากเนี่ยนะนะสามเดือนนะยังไม่เลิกเศร้าใจเลยบางทีไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันก็คิดคิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแหละพัน ไม่ใช่ว่าจะละง่ายๆเนี่ยนะฉันใดบาปอากุศลธรรมได้ละโดยเด็ดขาดก็ไม่ใช่ละง่ายๆเฉพาะความเศร้าหมองของใจเนี่ยละยากจริงๆเหมือนโรคบางอย่างนี่ละง่ายไหมเอากินพา ร, ราซะหายเลยอาจจะหายปวดบางอย่างอาจจะได้เขวบอกบางอย่างหมอเบอกอูยพา ร, รามันเล็กน้อยไม่หายปวดหรอกว่างั้นแสดงว่ามีความเจ็บปวดที่เกินเกินแบบยาธรรมดาที่จะช่วยได้ฉันใดพวกบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะละได้ ง่ายหรอกก็ต้องมีอริยทรัพย์คือเนี่ยทรัพย์คือจาคะคือสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะสมาธินี่เป็นจารคะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสละเช่นว่าสละนิวรด้วยเนคขมมะเนี่ยนะเนคขมมะก็คือกลุ่มาสุภะทั้งหลายละความละความพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทก็คือพวกเมตตาทั้งหลายจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องละจริงๆมันนะ่ะสอนให้ละสอนให้ละถ้าไม่เพิ่มพูนคุณธรรมก็ละอะไรไม่ได้หรอกถึงจะเห็นโทษยังไงก็ ละไม่ได้อย่างที่วิสุทธิมรรคท่านบอกว่าผู้ที่เบื่อหน่ายในวัะทั้งหลายถึงถึงจะเบื่อหน่ายจริงปรารถนาจะบรรลุจริงถ้าไม่รู้แนวทางไม่รู้หนทางก็ละไม่ได้นี่นะก็ละไม่ได้เพราะไม่รู้หนทางฉันใดก็ดีผู้ที่จะละบาปความเศร้าหมองเนี่ยนะนะละตัวเศร้าหมองแล้วเศร้าหมองแบบโสมนัสนี่ต้องเอาอะไรมาชดเชย คือมันต้องมีอันหนึ่งมาชดเชยนะมันจึงจะละได้จริงๆถ้าไม่มีตัวชดเชยเนะี่ยไม่ได้การที่จะละความเศร้าหมองของใจได้จริงๆต้องมีโพธิปัจจะธรรมมาชดเชยคือใจปกติของเราทั้งหลายมันอยู่กับพวกบาปอากุศลใช่ไหมอกุศลเจตสิกเท่าไหร่สิใช่ไหมเท่าไหร่อกุศ ล, ลเจตสิกสิบสีต้องหาโพธิปัจจะธรรม37มาชดเชย จึงจะได้แล้วโพธิปัจขยธรร ม, มาชดเชยนี่ต้องแบบอะไรระดับโซดาสกอ า, าคามีและอนาคามีระดับอรหรนะันต์น่ะจึงจะชดเชยสําเร็จจึงจะเลิกแต่ถ้าหาโพธิปัจขยธรรมมาชดเชยไม่ได้ละกิเลสได้ไหมไม่ได้หรอกกิเลสไม่ยอมหรอกเพราะวันอะไรนะไม่มีสิ่งที่มาชดเชยมัน้นพวกตะทางข้าปา ร, ระหารวิขำพระนาประหารเป็นคุณธรรมเยอะมากที่จะมาปรุงแต่ง เพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นเพื่อกำจัดบาปอากุศลออกไปถ้าทำได้นะเจริญตะทางข่าประหารวิขำพนะประ ห, า, หารถ้าประชมผนวกกันเมื่อไหร่ก็เป็นสมุเทเฉทประหารกว่าจะสังสมคุณภาพของสมถานและวิปัสนาควบคู่กันให้เป็นอริยมรรคอริยมรรคตัวนี้แหละเป็นการตัดขาดกองกิเลส ท, ที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยทั้งหมดเนี่ยนะ ละมิจฉาทิฐิท่านโสดาปฏิมักําจัดมิชขาทิฐิและบาปอากุศลที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิฐานเดียวกันกับมิจฉาทิฐิพันโสดาปฏิมักนั้นจึงกําจัดมิชขาทิฏฐิสกายทิฐิวิจิกิจขาสีระพตะปราหมาได้อย่างเด็ดขาดสกาธาคามิมักจึงกําจัดอะไรสกาธาคามิมักทําราคะโทสะให้เบาบางไอตัวที่หนาเนี่ยตัดได้อย่างเด็ดขาด อนาคามีมักทำกามราคาปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาดอรหัตมักกัจัดรูปปาราคารูปปาราคะมานะอุทะจ า, าวิชชาได้อย่างเด็ดขาดอันนั้นเป็นสมุดเฉทฐะปะหารทีนี้ถามว่าสมุดเชทฐะปะหารจะเกิดได้จากอะไรก็ได้จากตทางฆาปะหารกับวิขังพระประหารที่เจริญมาควบคู่กันเป็นอย่างดีทีนี้ปัญญาเนี่ยนะปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสมาธิเป็นเหตุใกล้ ก, ลกส็สมาธินีกับปัญญินรี ถ้าขาดสัตพินีวิริยินีสตินีแล้วสมาธิกับปัญญาเป็นไปได้ไหมบางทีเราเน้นแบบเจริญแต่หัวหอกอะนะแต่ว่าด้ามดั้มขาดดั้มหักเป็นต้นเนี่ยนะได้ไหมยากปัญญาเนี่ยเป็นตัวละกิเลสก็จริงแต่ถ้าสมาธิไม่ดีก็ยากสมาธิเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติคนไม่มีหลงลืมสตินะฟุ้งซ่านตลอดเชื่ออย่าคิดว่าระลึกอะไรไม่ได้แล้วจะสบายใจนะไม่ คนนึกอะไรก็ไม่ออกนึกว่านั่งนิ่งๆสบายใจเลยใช่ไหมบอกไม่หรอกนั้นสติเนี่ยสาคัญมากเป็นตัวที่ทําให้จิตตั้งมั่นคนที่มีสติถ้าขาดความเพียรได้ไหมไม่ได้คนที่เพียรจริงๆแสดงว่าคนนั้นมีศรัทธาคนที่มีศรัทธาถ้าฟังแบบไม่พอเนี่ยได้ไหมไม่ได้โอ้ยไล่ไปไล่มาไม่น่าหลักจึงเฝ้าวัตตะกันได้นานมัน <c oughs> มีคุณเครื่องอะไรที่จะให้ออกจากวัตตะเลยกันนะนะ่ยไม่ต้องแปลกใจหรอกนะ เจริญการุณาให้ตัวเองเยอะๆว่าโอ้ทพร่องอริยทรัพย์เหล่านี้นี่เองมีหน้ามาั้งโอ้ยรู้ว่าอะไรนะใจเศ้ามองรู้ว่าใจเศ้ามองนี่ก็ฉลาดไปเยอะแล้วนะเมื่อก่อนไม่รู้ยังอยู่ได้เลยใช่ไหมนี่ต่อไปการที่กิเลส ท, ทั้งหลายระงับไปในขณะแห่งผลชื่อว่าปฏิปสัสสติปะหารนะปฏิปสัสสติปะหาร ส่วนพระนิพพานที่ละสังคตะธรรมทั้งปวงเสียได้สลัดซึ่งคตธรรมทั้งปวงเพราะนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สลัดจากสังคตะธรรมเป็นธรรมที่สลัดสังคตะธรรมนิพพานจึงเป็นนิสรณนาปะหารคือธรรมที่สละสังคตะธรรมทุกชนิดเนี่ยนะถ้าไม่มีพระนิพพานออกจากสังคตะไม่ได้เนี่ยนะออกจากสังคตะไม่ได้สมมติว่าเหมือนกับเราปกติเราเหยียบพื้นเหยียบอะไรอยู่สักแห่งถ้าไม่มีที่ใหม่เหยียบนะเราอยากคิดว่าเราจะออกจากที่นั้นได้ นะไม่ออกไม่ได้หรอกมันต้องมีที่เกาะสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีพระนิพพานเป็นที่สลัดออกจากธรรมทั้งปวงเป็นที่นิสรณะจริงๆก็ไม่ได้หรอกมันจะต้องปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดธรรมที่ดับสังคตะธรรมที่ละสังคตะธรรมที่สลัดออกจากสังคตะพระนิพพานจึงเป็นนิสระประหารนิสระแปลว่ายึดถือยึดนิแปลว่าปฏิเสธซอนขอเสือมาอีกตัวเป็นนิสรณะ แปลว่าเลิกยึดถือสังขารจะต้องมีอะไรอันหนึ่งมาเกาะและตะกุยอยู่ในอากาศหรือไม่น่าตะกุยอยู่ในอากาศยังไงมันก็ต้องตกมาหาสังขารอยู่ดีต้องมีที่เกาะอันใหม่ที่เกาะอันนั้นแหละจึงจะทําให้ออกจากสังขารธรรมนั่นจึงเรียกว่าพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากสังขารแต่อย่าลืมว่าอะไรที่ขัดต่อการบรรลุนิพพานเมื่อกี้บอกแล้วใช่อะไรคือตัวที่ขัดต่อการบรรลุนิพพานสังขารเรสุรติ ยินดีอย่างยิ่งในสังขารนั่นแหละขัดไม่ให้ถึงพระ น, นิพพานไม่ให้บรรลุนิพพานเพราะสังขารน่ายินดีเนี่ยนะสรุปว่าการละแม้ทั้งหมดชื่อว่าปหานะสละวินัยที่เรียกว่าสังวียวินัยเพราะเป็นเครื่องกำจัดปหานะสละใช่ไหมวินัยเป็นกำจัดสละด้วยการกำจัดกำจัดอะไรกำจัดอกุศลดังกล่าวไปแล้วอีกอย่างหนึ่งในที่นี้ท่านเรียกว่าปหานะวินัยก็เพราะความมีอยู่แห่งวินัยนั้นๆโดย การละความประพฤติร่วงกิเลส ข, ข้อนั้นๆนเสียได้วินายก็เลยแบ่งออกเป็น5ดังกล่าวมาแล้วสังว 5, รหปหานะหก็รวมเป็น1ิก็แบ่งเป็นอย่างละ5ในวินายทั้ง10เมื่อกี้ในหน้าอะไรนะ <15. S 1> หน้า19ที่บอกว่ามี18ใช่มใชใหมไอตัวที่เออขออภัยตัวที่ละด้วยวิธี8วิธี8เพราะอะไรเพราะเวนปฏิปสัสสธิกับเวน นิสระณะพันวินัยจึงเรียกว่าวิเนติย่อมกำจัดที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากำจัดโทสะซะกำจัดโทสะผู้ใดละความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอละเนี่ยนะหรือกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยละด้วยเครื่องมือแปประการ น, นะอาวุธแปดชนิดนะจึงจะมาละได้ไม่งั้นเนี่โหอะไรจะละยากเท่าความโกรธนนความโกรธนี่ตัดยากยากนะเรื่องนะมัน ที่เรียกว่าวิเนติกำจัดด้วยปริยาย น, านั้นด้วยวิธี8วิธีดังกล่าวมาแล้วถามว่ากำจัดอย่างไรกำจัดอย่างไรท่านบอกว่าบุคคลเมื่อกำจัดกายะทุจริตและวจีทุจริตด้วยศีลสังวรเนี่ยนะด้วยศีลสังวรถ้ามีศีลสังวรเนี่ยนะชื่อว่ากำจัดความโกรธที่ประกอบด้วยกายะทุจริตและวจีทุจริตเนี่ยนะกำจัดอภิชาและโทมนัต ด, ด้วย สติสังวรและปัญญาสังวรหรือที่เรียกว่าญาณสังวรเป็นการกำจัดความโกรธที่ประกอบด้วยโทมานั์เมื่ออดทนต่อความหนาวเป็นต้นด้วยขันติสังวรชื่อว่ากำจัดความโกรธที่เกิดจากอาคาตวัตถุนั้นๆถ้ากำจัดความพยาบาทด้วยวิริยะสังวรชื่อว่ากำจัดความโกรธที่ประกอบด้วยพยาบาทวิตกนั้นๆเพราะนั้นศีลสังวร สเตสังวรยาณาสังวรขันเตสังวรวิริยะสังวรเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ตัดจัดความโกรธนั้ น, น, นส่วนรายละเอียดจะได้กล่าวอีกครั้งก็ต้องเป็นอาทิตย์หน้า